พระไตรปิฎกเล่มที่ส2องรมนิมันตนิกกสูตรว่าด้ยวยเรื่องของพระกับ์รมความเข้าใจผิดของรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเข่งกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่ง เราอยู่ที่โคนต้นสาละใหญ่ในสุภควันใกลเมืองอุกัตถาในสมัยนั้นพระกัพรมมีทิฏฐิคือความเข้าใจผิดเช่นนี้เกิดขึ้นว่ารมมสสถานนี้เที่ยงคำว่ารมมสสถานในที่นี้หมายถึงร่างกายและสถานที่ทั้งหมดพระกัพรมเข้าใจผิดว่ารมมสสถานนี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรง มีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาโรมมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเหตุเครื่องสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งนอกจากพรมมาสถานนี้ไม่มีครั้งนั้นเรารู้ความคิดคำนึงของพระกะโพรมด้วยใจแล้วจึงอันตรธานจากโคลนต้นสาละใหญ่ในสุภคะวันใกลเมืองอุ ก, กัตาไปปรากฏในโรมมโลกนั้น เปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระกบพรหมได้เห็นเราผู้มาแตกลแล้วได้กล่าวกับเราว่าท่านภูนิรทุกเชิญเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จท่านได้พูดว่าจะมาที่นี้นานมาแล้วท่านภูนิรทุกพระ ม, มัสถานนี้เพียงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดา มรมาสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติก็แลการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งนอกจากมรสมสถานนี้ไม่มีภิกษุทั้งหลายเมื่อพระกัพรมกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับพระกัพรมว่าพระกัพรมผู้เจริญตกอยู่ในอำนาจอาวิชชาแล้วหนอเพราะว่าพระกัพรมกล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง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 ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและกล่าวการสลัดออกจากทุกข์อย่างยิ่งอื่นซึ่งมีอยู่ว่าการสลัดออกจากทุกข์อย่างยิ่งอื่นไม่มีภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมานใจบาปเข้าสิงกายพรมปาริสัชฌะผู้หนึ่งแล้วกล่าวกับเราว่าภิกษุอย่าลุกรานพระกะพรมนี้เลย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 เป็นผู้ติดเตียนดินเกลียดดินเป็นผู้ติดเตียนน้ำเกลียดน้ำเป็นผู้ติดเตียนไฟเกลียดไฟเป็นผู้ติดเตียนลมเกลียดลมเป็นผู้ติดเตียนสัตว์เกลียดสัตว์เป็นผู้ติดเตียนเทวดาเกลียดเทวดาเป็นผู้ติดเตียนประชาบดีเกลียดประชาบดีเป็นผู้ติดเตียนงรมเกลียดรมในโลกหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้น จะไปเกิดในพวกที่เลวส่วนสมณพราหม์พวกก่อนท่านเป็นผู้สันเสริญดินชมเชยดินเป็นผู้สันเสริญน้ำชมเชยน้ำเป็นผู้สันเสริญไฟชมเชยไฟเป็นผู้สันเสริญลมชมเชยลมเป็นผู้สันเสริญสัตว์ชมเชยสัตว์เป็นผู้สันเสริญเทวดาชมเชยเทวดาเป็นผู้สันเสริญประชาบดีชมเชยประชาบดี เป็นผู้สันเสริญพรมชมเชยพรมหลังจากตายแล้วสมณพราหมวกนั้นจะไปเกิดในพวกที่ดีเพราะเหตุนั้นเราจึงบอกกับท่านว่าท่านผู้นิรุตุ์เชิญเถิดท่านจงทำตามคำที่พรมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านจงอย่าฝ่าฝืาฝนคําของพรมเลยถ้าท่านจะฝ่าฝืนคําของพรมโทษจะมีแก่ท่าน เปรียบเหมือนบุรุษเอาท่อนไม้ไล่ตีสิวิที่มาหาหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้ตกเหวลึกชักมือและเทา้าให้ห่างแผ่นบินเสียชะ น, นั้นท่านผู้นิรทุกขเชิญเถิดท่านจงทำตามคำที่พรมบอกแก่ท่านเท่านั้นจงอยา่าปากฝืนคาของพรมเลยภิกษุท่านเห็นพรมมาบริสัทประชุมกันแล้วม่ใช่หรือ มานใจบาปเปรียบเรากับพรหมบริษัทนี้ดังนี้แหลภิกษุทั้งหลายเมื่อมารกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับมารผู้ใจบาปนั้นว่ามารผู้ใจบาปเรารู้จักท่านท่านอย่าเข้าใจว่าพระสมณะไม่รู้จักเราท่านเป็นมารพรหมก็ดีพรหมบริษัทก็ดีพรหมมาปาริษัทฉะก็ดี ทั้งหมดนั้นอยู่ในมือของท่านตกอยู่ในอำนาจของท่านและท่านก็มีความดำริว่าแม้พระสมณะก็ต้องตกอยู่ในมือของเราต้องอยู่ในอำนาจของเราแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในมือของท่านไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของท่านเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วพระกะพรมได้กล่าวว่า ท e ่านปุณิรทุกเรากล่าวสิ่งที่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่มั่นคงว่ามั่นคงกล่าวสิ่งที่ยั่งยืนว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่แข็งแรงว่าแข็งแรงกล่าวสิ่งที่ไม่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดาว่าไม่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดาก็แลสัตว์ย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุดติไม่อุบัติในพรมสถานใดเรากล่าวถึงพรมัสถานนั้นว่า รมัสสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและกล่าวการสลัดออกจากทุกยังยิ่งอื่นซึ่งไม่มีว่าการสลัดออกจากทุกยังยิ่งอื่นไม่มีสมณพราหมณกขก่อนท่านได้มีแล้วในโลกอายุของท่านทั้งสิ้นมีประมาณเท่าใดกรรมที่ทำด้วยตบักของสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็มีประมาณเท่านั้น สมณพราหมณ์เหล่านั้นจะพึงรู้การสลัดออกจากทุก์อย่างยิ่งอื่นซึ่งมีว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นมีหรือจะพึงรู้การสลัดออกจากทุกขอย่างยิ่งอื่นซึ่งไม่มีว่าการสลัดออกจากทุกขอย่างยิ่งอื่นไม่มีเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่าท่านจักไม่เห็นการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นเลยแม้ว่าท่านจักเป็นผู้มีความลำบาก และความคับแค้นใจก็ตามอิกษุถ้าท่านจะกลือนกินแผ่นดินท่านก็จักชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้เรานอนในที่อยู่ของเราเราพึงทำได้ตามประสงค์เราพึงห้ามได้โดยในยะเดียวกันถ้าท่านกลื่อนกินน้ำากลื่อนกินไฟกลื่อนกินลมกลือนกินเหล่าสัตว์กลื่อนกินเทวดา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 ท่านพึงทําได้ตามประสงค์ท่านพึงห้ามได้โดยในยะเดียวกันถ้าเราจะกลืนกินน้ํากลืนกินไปกลืนกินลมกลืนกินเหล่าสัตว์เทวดาประชาบดีจนถึงถ้าเราจะกลืนกินพรหมเราก็จักชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้ท่านนอนในที่อยู่ของท่านท่านพึงทําได้ตามประสงค์ท่านพึงห้ามได้ใช่แต่เท่านั้นเรารู้คติ แลรู้ความรุ่งเรืองของท่านว่าพระกัปโร ม, มีฤทธิ์มากอย่างนี้พระกัปโรมมีอนุภาพมากอย่างนี้มีศักดิ์มากอย่างนี้พระกัปโรมถามเราว่าเรารู้อย่างนั้นได้อย่างไรเราจึงกล่าวว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคจรสองทิศให้สว่างอยู่เท่าใดอำนาจของท่านย่อมเป็นไปในหนึ่งพันจักรวาลเท่านั้น ท่นย่อมรู้จักสัตว์ที่เลวและสัตว์ที่ประณีตรู้จักสัตว์ที่มีราคาและสัตว์ที่ไม่มีราคารู้จักจักรวาล น, นี้และจักรวาลอื่นและรู้จักการมาและการไปของสัตว์ทั้งหลายพรมเรารู้คติและรู้ความรุ่งเรืองของท่านอย่างนี้ว่าพระกับพรมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากมีศักดิ์มากอย่างนี้พรม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 เรารู้จักดินโดยความเป็นดินรู้จักนิพพานที่สัตว์เสวยไม่ได้โดยความที่ดินเป็นดินแล้วไม่เป็นดินข้อนี้หมายถึงไม่ยึดถือดินด้วยอำนาจตัญหาทิฏฐิและมานะไม่ได้มีแล้วในดินไม่ได้มีแล้วจากดินไม่ได้มีแล้วว่าดินเป็นของเราไม่ได้กล่าวเฉพาะดินเราเทียบไม่ได้กับท่านด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งแม้อย่างนี้ ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านตรัสโดยนัยยะเดียวกันดังนี้เรารู้จักน้ำรู้จักไฟรู้จักลมรู้จักเหล่าสัตว์เทวดาประชาบดีเรารู้จักพรมอภัสรพรมสุปกินหัพรมเวหภะพละพรมอภิภูพรม เรารู้จักสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นสิ่งทั้งปวงรู้จักนิพพานที่สัตว์เสวยไม่ได้โดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงและไม่เป็นสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีในสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีจากสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของเราไม่ได้กล่าวเฉพาะสิ่งทั้งปวงรมเราเทียบกับท่านไม่ได้ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งไหมอย่างนี้ ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านพระกะพงกล่าวกับเราว่าท่านผู้นิระทุกถ้าเพราะท่านรู้นิพพานที่สัตว์เสวยไม่ได้โดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงค่อยคาของท่านอย่าได้ว่างอย่าได้เปล่าซิียเลยนิพพานที่ผู้บรรลุจะพึงรู้แจ้งได เป็นอนิทัศนะคือสภาวะที่มองไม่เห็นเพราะอยู่เหนือจักขควิญญาณเป็นอนันต์หมายถึงไม่มีที่สุดเพราะไม่มีการเกิดขึ้นและการดับไปมีรัศมีกว่าสิ่งทั้งปวงสัตว์สวยไม่ได้โดยความที่ดินเป็นดินโดยความที่น้ำเป็นน้ำโดยความที่ไฟเป็นไฟโดยความที่ลมเป็นลมโดยความที่เหล่าสัตว์เป็นเหล่าสัตว์โดยความที่เทวดาเป็นเทวดา ประชาบดีเป็นประชาบดีโดยความที่ปรมเป็นปรหมโดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงพระกะโรมกล่าวกับเราว่าท่านผู้นิรทุข์ท่านจุงดูบัดนี้เราจะอันตรธานไปจากท่านเรากล่าวว่าพรมหากท่านสามารถบัดนี้ก็จงอันตรธานไปจากเราเถิดครั้งนั้นพระกะพรมกล่าวว่า เราจากอันตรธานไปจากพระสมณโคดมแต่ก็ไม่อาจอันตรธานไปจากเราได้เลยเมื่อพระกัะพรมกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับพระกัะพรมว่าพรม้มท่านจงดูบัดนี้เราจกอันตรธานไปจากท่านพระกัะพรมกล่าววา่าท่านผู้นีรูทุกข์หากท่านสามารถบัดนี้ก็จงอันตรธานไปจากเราเถิด ลำดับนั้นเราบรรดาอิทธาพิสังขารเช่นนั้นด้วยคิดว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้รมก็ดีรมมบริษัทก็ดีรมมาปาริศัตชะก็ดียอมได้ยินเสียงเราแต่ไม่ได้เห็นตัวเราเราอันตรทานไปแล้วได้กล่าวคาถานี้ว่าเราเห็นภายในภบได้เห็นภบของสัตว์ผู้แสวงหาความปราศจากพบแล้ว ไม่กล่าวยกย่องพบอะไรเลยทั้งไม่ยึดมั่นนันทิด้วยนันทิในที่นี้หมายถึงภาวะตัณหาภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพรมก็ดีพรมมบริษัทก็ดีพรมมาปริษัทชะก็ดีได้เกิดความแปลกประหลาดมหาสรรัจจจิตว่าท่านผู้เจริญหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระสมณะโคโดมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก แต่ก่อนนี้เราทั้งหลายไม่ได้เห็นไม่ได้ยินสมณะหรือพร์อื่นที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหมือนพระสมณะโคดมนีู้ออกผนวดจากสกยัตรกูลถอนพบพร้อมทั้งรากของหมู่สัตว์ผู้รื่นรมในพบยินดีในพบเลิดเพลินในพบภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมานใจบาป เข้าสิงกายปรมปาลิษัทชักผู้หนึ่งแล้วกล่าวกับเราว่าท่านผู้นิรุตุถ้าท่านรู้อย่างนี้ตรัสรู้อย่างนี้ก็อย่าแนะนําอย่าแสดงธรรมอย่าทําความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรรพชิตเลยภิกษุได้มีสมณพราหมณ์พวกก่อนท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลก สมณพราหมณ์เหล่านั้นแนะนําแสดงธรรมทําความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรรพชิตหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในพวกที่เลวสมณพราหมณ์พวกก่อนท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่แนะนําไม่แสดงธรรมไม่ทําความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรรพชิตหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในพวกที่ดี เพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวกับท่านว่าท่านผู้นิรุทุขอท่านอย่า ก, กังวลไปเลยจงมันประกอบทมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเถิดเพราะการไม่พูดเป็นความดีท่านอย่าสั่งสอนสัตว์อื่นๆเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อมารกล่าวอย่างนี้แล้วเราจึงกล่าวว่ามารเรารู้จักท่าน ท่านอยาเข้าใจว่าพระสมณะไม่รู้จักเราท่านเป็นมารท่านหามีความอนุเคราะห์ด้วยจิตเกือ้อกูลไม่จึงกล่าวกับเราอย่างนี้ท่านมีความดำริว่าพระสมณะโคดมจากแสดงธรรมแก่ชนเหล่าใดชนเหล่านั้นจากล่วงมิสัยของเราไปสมณะพราหมณ์เหล่านั้นมิได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เวัยกรณะพาสิดนี้ระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยมานิได้เรียกร้องและโดยที่พรมเชื้อเชิญดังนี้เพราะเหตุนั้นเวัยกรณะพาสิดนี้จึงมีชื่อว่าพรมนิมันตนิ ก, กสูตร ดังนี้และ